เกีนี้เราได้พูดกันถึิงเรื่องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อมันมีหลายชนิดเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดก็มีระวังให้ดีนะเนี่ยเปลี่ยนเสื้อคนเอาเสื้อสัตว์มาใส่ก็มีนั่นระวังฮอทีนี้เรานั่งอยู่เวลานี้นะสมมตินะมันจะน่าขยะแขยงไหม แล้นั่งเวลานี้เราใส่เสื้อมนุษย์เดี๋ยวไปเอาเสื้อหมามาใส่เขาแล้ยุ่งนั่นเหน็ดเรต้องคิดการพูดชนี้กรุณาจัดถือว่าเป็นการต่ําเป็นความต่ําเป็นเรื่องความจริงที่เอามาเทียบเคียงให้ทราบว่าความสูงความต่ําเกิดจากความดีและชั่วที่มีเหลื่อมล้ําต่ําสูงต่างกันภารในจิตใจของสัตว์โลกจึงจึงต้องเทียบให้ฟังเมื่อเราเทียบใกล้ๆนี่มันก็น่าขยะกขยงแล้วแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริ ง, รงๆถ้าหากว่าเรา ถ้าหมาในตัวเองเคยสูงแล้วมันจะต่ําลงไปได้เคยดีแล้วมันทั่วลงไปได้นะั้นเราพยายามที่จะให้ดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลํำดับถ้าเปลี่ยนเสื้อกอ็เปลี่ยนเสื้อที่ราคาเท่านี้ขึ้นรนาะคาเท่านั้นเสื้อคุณภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วเลื่อนคุณภาพมันโดยลํำดับตามคุณภาพของจิตเราที่ดีมากน้อยนั่นแหละคุณธรรม คุณคุณภาพคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทําให้เปลี่ยนสภาพขึ้นไปเรื่อยๆถ้ า, าว่าคุณธรรมไม่ค่อยมีมากกวเป็นปาปาธรรมนั่นเขาแทรอยู่ภายในจิตก็เปลี่ยนลงไปเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดไปแหละเออปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อคนเป็นเสื้อสักเป็นเสื้อเป็ดเสื้อขีเป็นไปได้หมด จิตตรงนี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะมีเครื่องหมุนจิตให้เป็นไปในแน่ต่างๆได้เครื่องหมุนอันนั้นส่วนมากมันก็เป็นความชั่วนั่นเองที่หมุนให้เป็นทางต่ําไม่มีทางดีที่จะพาหมุนให้เป็นทางต่ําเลยมีแต่ทางชั่วทั้งนั้นแล้วเรามักจะคล้อยตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่ปรารถนาความชั่ว แต่ความค่้อยตามของเรามันบอกอย่างชัดเจนเราควรจะสังเกตตอนนี้ละมัดระวังตอนนี้ให้ดีการปฏิบัติใดก็ตามในโลกนี้งานใดก็ตามในโลกนี้ไม่เหมือนงานคือการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นงานละเอียดละ อ, อ่อและรวดเร็วที่สุดมองไม่ทันรู้ไม่ทัน ท, ทั้งท้ที่ตัวจิตก็เป็นตัวรู้เป็นตัวปรุงแต่ที่ว่ารู้ไม่ทันคือคือสติรู้ไม่ทัน สติแล้วต้องคลิดขึ้นมาต้องพยายามอบรมพยายามตั้งสติตั้งท่าตั้งทางเช่นเดียวกับเราเดินไปในสถานที่ไม่ปลอดภยัยเช่นเป็นฝาเป็นหนามเป็นต้นเราต้องระมัดระวังควา ม, มาระมัดระวังตัง้งจิตตั้งใจเดินตั้งจิตตั้งใจระมัดระวังนั่นแหละท่านเรียกสติ <S <S เช่นเราระวงังจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีขัดกับ ความต้องการของเราที่จะให้จิตมีความสงบในเวลาภาวนาเป็นต้นอย่างนี้ความระมัดระวังเช่นนี้ท่านเรียกว่าสติราพยายามระวังเสมอพยายามอบรมความระวังนี้ให้มากขึ้นคือความระวังเรื่อยๆมันก็เป็นการเป็นความเคยชินเคยชินภายในตัวเองแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราวมีสติเป็นพื้นขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้ จากสติที่ล่มลุกคลุกครานจากปัญญาที่ล่มลุกคุครานนี่แหละท่านสอนให้อบรมท่านสอนให้บำรุงสติโดยลำหนับนี่พวกเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างที่ว่านั้นเพราะกดบังคับมีอยู่ภายในใจแม้ตัวเองจะไม่รู้ก็าตามกดอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับ เกินกว่าความรู้ของตนจะสามารถรู้เห็นเรื่องของตัวเองได้พอ ม, มีท่านผู้สามารถรู้ได้เป็นพระองค์แรกก็คือพระพธธุทธเจา้าพระอรหันต์ท่านท่านเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยว่าท่านจะไม่ทราบสิ่งลึกลับเหล่านี้ถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ถอดถอนแก้ไขไม่ได้สิ่งลึกลับนี้จะเป็นความลึกลับเฉพาะ สติปัญญาที่ยังไม่สามารถเท่านั้นแต่ถ้าสติปัญญาสามารถแล้วเปิดเผยขึ้นมาหมดไม่มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมติภายในจิตใจแล้วจะต้องถูกปัญญาหรือถอนขึ้นมาจนหมดสิ้นแล้วพ้นจากความสมมุติท่านก็เรียกว่าวิมุตต์เนี่ยนั่นแหละความจริงทั้งหลายที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่ว่าส่วนดีส่วนชั่วมันเป็นความจริงแต่และอย่างในอย่างด้วยกัน เราไม่สามารถที่จะทราบสิ่งลึกลับที่มีอยู่ภายในตัวของเราจรึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนอนใจไม่ระมัดระวังโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีบ้า ง, ท, า ง, ท, างทั้งๆที่ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่ามีสิ่งนั้นเป็นภยัยแล้วเข้าใจว่าเป็นภัยบ้างทางั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นภัยมีอยู่ภายในใจของเราด้วยเนี่ยมันทําให้ประมาทนอนใจแล้วเกิดแล้วเป็นความไม่สนใจด้วย แล้วเป็นความเข้าใจดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยเรารู้เข้าใจว่าเรารู้ดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยทั้งท่านที่งโง่ที่สุดแหน่มันก็อยู่กับคนงโง่นี่แหละที่อวดตนว่าฉลาดผู้ที่ฉลาดจริงๆแล้วท่านไม่อวดคนงโง่มัาอวดฉลาดเสมอไม่ว่าใครๆมัาอวดนี่เราพูดในเรื่องของธรรม หากว่าเราไม่เราไม่มีความหริงภายในกกจิตใจของเรายังไงก็ไปไม่พ้นที่เราจะต้องทราบตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและขั้นละเอียดสุด mm hmm. เพราะนำสิ่งที่มีที่จริงอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งนั้นออกมาแสดงให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ดูไม่ใช่เอามาจากที่อื่นใด เพราะทำณนะมะพระพุทธเจ้าที่สอนนี้ไม่ใช่สอนเรื่องปลอมๆพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เรื่องรู้เรื่องแบบปลอมๆจะมาสอนโลกแบบหลอกลวงได้อย่างไรปฏิบัติก็จริงรู้ก็จริงสิ่งที่รู้สิ่งที่ละก็เป็นของที่มีจริงและรู้ได้จริงละได้จริงนั่นยะิงมายิงต้องมาสอนด้วยความจริงทั้งนั้นสอนโลก สอนพวกเราก็นําเรื่องของพวกเราออกมาสอนเราแม้จะโยกเรื่องของผู้ใดขึ้นมาสอนก็ตามเรื่องนั้นเป็นอย่างเดียวกันเห็นความโลภนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงเรื่องความโลภความโกรธความหลงท่านจะแสดงเรื่องของบุคคลใดก็ตามก็คือเรื่องของเรานั่นแหละสําหรับเราผู้ทั้งใจจะศึกษาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่นั้นพระพุทธเจ้าสอนโลก ถ้าไม่ได้มุ่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่ไม่ได้มุ่งไม่ได้ถูกมุ่งนั้นก็จะไม่ได้สำเร็จสำเร็จมากผลนิพพานอะไรได้เลยหากจะสําเร็จก็หรือได้ผลในประโยชน์ก็จะได้เฉพาะผู้ที่พระองค์มุ่งอ่ะแล้วยกตัวอย่างอย่างนี้แต่นี่ทําไมเวลาประธานพระาว่าแต่ละครั้งละครั้งปรากฏว่าได้รับผลประโยชน์ตลอดถึงบรรลุมากผลนิพพานมีจำนวนมากมายหลายกองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรื่องความจริงเหมือนกัน แสดงเรื่องความจริงออกมาเป็นกลางๆเท่านั้นใครก็โอปัญยิโกคือน้องเข้าไปสู่ตัวท่านพูดถึงเรื่องโลคความโรคของเราก็มีเนี่ยพูดถึงความโกรธความหลงต่างคนต่างมีพูดถึงเรื่องละความโลคความโกรธความหลงต่างคนก็ต่างพยายามละเนยพระเทศให้รู้สอนให้รู้ต่างคนต่างมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็สนใจฟังด้วยทําไมจะไม่รู้น่า ธรรมะเหมือนกันที่เรียดอาสรรมะเหมือนกันพระพุทธเจ้าประทานให้แก่ผู้ใดก็ตามบรรดาผู้มีความสนใจที่จะหวังผลหวังประโยชน์จากการฟังก็ต้องในราบเหมือนกันถ้าเราจะเสาะแสวงดูโทษซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราเราก็ควรจะทราบได้อย่างชัดเจน ทำไมจะไม่ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตําหนิติเ ต, ตียนนั่นมีอยู่กับใครถ้าไม่อยู่กับพวกเราที่มีกิเลสนี้นั่นแต่เมื่ออยู่กับพวกเราแล้วเราทําไมว่าไม่ทราบว่าอันใดเป็นกิเลสถ้าทราบว่าอันอันนั้นอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสเป็นภัยเนี่ยก็จะต้องมีความกลัวมีความขยะดขยาแยง เมื่อท่านสอนวิธีละก็จะต้องรีบนํามาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นแล้วได้ผลขึ้นมาโดยลําดับนี่ประการหนึ่งประการหนึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตนก็ให้ท่านสอนนทําไมโง่ใช้ท่านสอนทําไมมันมีด้วยกันทุกคนสติปัญญาก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่ทราบนี่นี่แหละท่านที่เราตัวนี้บอกพวกเราโงา่เหยียบย่ําไปมาอยู่กับความจริงทั้งหลาย <c oughs> ก็ไม่ทราบนะพยายามเปลี่ยนเสือ้อ เปลียนเสื้อเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงเสื้อทันสมัยเลยไม่ต้องไปหามาจากเมือ ง, ง, ง, ง, ง, งนอกเมืองนาที่ไหนกันสิ่งใดส่วนส่วนมากถ้าว่าเป็นทันสมัยแล้วก็จะต้องออกมาจากเมืองเขาเมืองเราไม่มีเพราะเหตุไรมัถึงไม่มีอน่าคิดอยู่มากอันนี้สติปัญญาเราก็พอมีมือเท้าเราก็พอมีทําไมมัน มันถึงไม่ทันสมัยมันไม่ทันที่หัวใจของกิเลสนั่นเองเง่ายๆถ้าจะพิจารณาตามเหตุตามผลวยแล้วมันทันแล้วกันอา่าหรือยนเข้ามาภ า, ายใอีกเพื่อให้ทันสมัยนะั่นคืออะไรเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยสติปัญญาคือเปลี่ยน อ, อารมณ์ส่วนยากด้วย อุบายวิธีแห่งการพิจารณาเราจะทราบภายในจิตใจของเราโดยลําดับครั้งแรกที่ยังไม่เคยอบรมไม่เคยปฏิบัติศึกษาศาสนาเลยจิตใจของเราเป็นยังไงพูดไม่ถูกเพราะเราไม่สนใจพอได้ปฏิบัติศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมภาวนาจิตทั้งๆ ท, ที่เคยคิดเคยปรุงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะสนใจว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแต่พอมาเพิ่งหัดอบรมภาวนา ชักจะทราบขึ้นมาโดยลําดับนี่วันนี้กิดชักยุ่งหนักแต่ก่อนมันก็ยุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบแต่พอมาปฏิบัติภาวนาะชักยุ่งไงกิดชักยุ่งแล้วกิดกระทบกระเทือนอะไรเร่เร็วอะไรมาสัมผัสคอแต่กระทบกระเทือนคือแต่ก่อนคอภายมันเป็นหลังหมีมันดําหมดมันไม่รู้อะไรมาถูกมันก็ดําไปด้วยกันไปหมดมันมันดํำมาเต็มที่อะไรมาถูกมันก็ดํำไปหมดแต่พอมี ต่างๆ ด, ด, ดาวๆบ้างอะไรมาถูกมันก็พอทราบนี่เวลาเราอบรมกับไม่เคยอบรมเลยนั่นแ่ะมันผิดกันอะไรมากระทบกระเทือนมันก็เป็นอันเดียวกันหมดฮอันนี้พอจิตเราได้รับการอบรมบ้างแล้วมีความสงบเยือเกเย็นบ้างเมื่อมีสิ่งมากสัมผัสมา ก, กระทบกระเทือนบ้างมันรู้ได้เร็วแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าความรู้ได้เร็วนี้เกิดเพราะการอบรมเป็นขึ้นมาเพราะการอบรม เราก็มาคิดใช่ไหมโอ้แต่ก่อนเราไม่ภาวนาก็ไม่เปนเป็นอะไรพอภาวนาในจิตชักเป็นนั้นชักเป็นนี่ชักรู้นั้นรู้นี่กระทบกระเทือนได้เร็วความกินความรับรู้ของเรามันช่องแค่วขึ้นมาสติมีพอจะทราบเรื่องความรับออรู้สิ่งนั้นสิ่ง น, นี้แล้วก็ค่อยทราบเป็นลําดับยิ่งจิตมีความสงบเยือกเย็นโดยลําดับลําดับและจนกระทั่งเป็นประจํา แล้วอะไรมาผ่านผิดปกติแห่งความสงบจะทราบทันทีทันทีและพยายามแก้ไขและทราบทั้งสาเหตุด้วยว่าวันนี้จิตไม่ค่อยสะดวกเป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นนี่คือความระมัดระวังนี่คือเรื่องสติที่เราเคยอบรมมาเรื่อยๆจนมีสติให้รทราบเรื่องของตัวเองแม่ที่สุดความเคลื่อนไหวของตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ทราบ อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสจิตต้องเรานำสิ่ง น, นั้นมาคุ้นคิดต่างๆจนเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาใจก็ทราบว่าวันนี้ใจไม่ใด่วุจใจมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งนี้เป็นอารมณ์ก็ทราบนะความทราบที่นี้แหละเป็นสักขีปยาันหนึ่งแห่งการปฏิบัติของเราที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มันทราบได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้และแก้กันได้อย่างรวดเร็วเพียงขั้นความสงบของจิตมันก็ทราบนะ พูดถึงขั้นปัญญานั้นยิ่งรวดเร็วอะไรจะมีความสวยงามยิ่งกว่าจิตอะจะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าจิตจะมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตจะเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตไม่มีในโลกทั้งสามนี้ อ, อยู่ในซึ่งสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะรับทราบด้วย ความสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตา่างมจะไม่เหมือนที่จิตสัมผัสเรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองจากผลแห่งการชําระมาโดยลําดับแล้วปรากฏมีความสงาา่าผ่าเผยมีความสงบเยือกเย็นมีความผ่งใสเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางด้วยทําให้มีความละเอียดละออมีความอะไร พูดไม่ถูกมีความดูดดื่มในความสง่าผ่าเผยในความผ่องใสในความสงบสุขของตนไปเรื่อยๆนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้แล้วว่ารสแห่งธรรมคือความสงบนี้เหนือรสทั้งหลายอยู่แล้วอ่แยิ่งได้มีการชำระขึ้นไปโดยลำํำดับความผ่องใสนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยแล้วเพียนขึ้นสูงเรื่อยๆ เหมือนก็บเราเปลี่ยนเสื้อขึ้นเป็นเสื้อทันสมัยนั่นเองเปลี่ยนเรื่อยๆไปอย่างนั้นความสงา่าผ่าเผยก็เปลี่ยนอาการเข้าไปอีกเป็นความละเอียดเข้าไปอีกที่เพูดถึงว่าสวยงามก็เปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนไปตา ม, ตามกันหมดจกนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อัศจรรย์ก็เปลี่ยนอัศจรรย์แค่นี้อัศจรรย์แค่นั้นแปลกประลาศแค่นี้แปลกระลาศแค่นั้นในขั้นของจิตจกนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ยิ่งเลยสมมุติทั้งหลายไปเลย นั่นนั่นความอาธิรฐานอันนั้นเป็นความอาธิรฐานนอกสมมุติอีกเพียงความขั้นอาธิษฐาในสมมุติมันก็ยิ่งกว่าความอาธิรฐานทั้งหลายในโลกนี้แล้วฉะนั้นเราควรจะทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ก็คือความรู้ในใจใจของเราควรจะรับการเลี้ยวแหล่เช่นเดียวกับกิจการหรือวัตถุสมบัติอื่นๆในอย่างน้อย ยิ่งอยู่ในวัยเราที่จะต้องทราบจากผลแห่งการบวกลบความเป็นมาของเราและเป็นไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะให้เกิดความสนใจต่อสมบัติคือใจนี้มากขึ้นแล้วเกิดความสนใจทางการประพืชปฏิมติการรักษาตัวเองการอบรมตัวเองให้มีน้ำหนักมากขึ้นโดยลําดับลาดับยิ่งกว่างานอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้ว มีชื่อว่าคชื่อว่าเราจะพยายามสร้างสมบัติอันนี้ให้เด่นหรือพยายามจะส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้เด่นขึ้นมาให้เป็นที่ได้ชมให้เป็นที่น่าชมภารกิจใจของเราชมอยู่ในปัจจุบันขณะปฏิบัติขยะยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ชมความรู้ความเด่นความสงบเย็นใจความแปลกประหลาดความอัศจรรย์อยู่ภายในใจดงเดยวนี้ เวลาจะเป็นจะตายเราคิดไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะอันนี้เองเป็นตัวประกรันแห่งการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปสู่ภพใดแดนใดหรืออยู่สถานที่ใดจะได้สเสวยผลเช่นไรก็บอกอยู่แล้วในผลซึ่งขณะที่รับอยู่รู้อยู่เวลานี้เนี่ยอยู่กับอันนี้ทราบแล้วไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเพียงตอนนี้ก็เรียกว่าเราได้ความมั่นใจ สมบัตินี้เป็นที่เป็นที่แน่ใจสมบัตินี้ไม่หลอกลวงสมบัติชิ้นนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวคือติดกับใจไม่เหมือนสมบัติอื่นๆซึ่งมีความดีใจในขณะ น, นี้แล้วก็เสียใจในขณะต่อไปคือต้องมีการพรัพภาคจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างท่านว่ายำปิดช้งนะราปฏิตำปิดทุบขังถ้ปราถนาไม่สว่างก็เป็นทุกข์ ไ, ได้มาแล้วก็เวลาพับภาคจากกันก็เป็นทุกข์อีกแต่ สมบัติที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามแน่ปกับตัวไปเลยเนี่ยที่ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประธานโอวาทแก่บรรดาศัตว์ก็เพื่อจะให้นำโอวาทนั้นๆเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจที่เป็นสมบัติสำคัญ น, นี้ ให้เด่นขึ้นภายในตัวเองแล้วให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้แล้วจะเป็นที่ภาพภูมิภายใน จ, ใจิตใจทั้งปัจจุบันคือเป็นอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเปลี่ยนสภาพนี้ไปสู่ภบหน้าจิตนี้จะไปอย่างสงาพาพ่าผ่าเผยไปอย่างมีเหตุมีผลมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาดังที่ท่านสอนไว้ว่าธรรมโอหิวรัก ทำเวรคติธรรมะใจผู้ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมทำที่ไหนมารักษาเราอเอาเราคิดดูตรงนี้ทำในคมภีรนั้นเหรอออทำในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เหรอเราเรียนทำมาจากนั้นมาปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติปฏิบัติตัวเองเพราะได้ศึกษาจากทำในตำหนักตำรานั้นทำอันนี้แหละที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราก็จากอยู่ภายในใจนี้แหละ เป็นธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติคือเราเองไม่ตกไปในที่ชั่วคำวมาชั่วคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ตกไปในสู่สิ่งไม่พึงปรารถนานั้นแต่จะเป็นไปตามเหตุตามผลแห่งความดีของเราที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสมบัติอันนี้อยู่กับเราพยายาม ส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้ได้ประจักษ์อย่างน้อยให้เป็นความเย็นใจเถอะอันนี้เป็นที่แน่ใจที่สุดเป็นที่ตาใจได้จริงๆเพียงจิตใจมีความสงบเท่านั้นก็ปรากฏเป็นความเย็นใจขึ้นมาแล้วเป็นหลักขึ้นมาอันนึ่งในพยายามอบรมขึ้นเรื่อยๆความสงบนั้นมีเป็นรากเป็นฐานมีความมั่นคงในละเอียดลออเขเป็นลำดับๆยิ่งเป็นความมั่นใจ สำหรับผู้ปฏิบัตินั้นๆเอาเพราะนพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อภายนจิตใจนี้ออกอะไรมาปกคลุมกับความยึดมั่นถือมั่นความสํา ค, คัญผิดของตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคลุมจิตใจใชเองความสําคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใด จึงต้องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านก็แสดงออกไปเรื่องภายนอกอมากมายกายกองรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเนี่ยนี่ผู้คงกว้างนะั้นนี่รูปรูปอะไรเราแยกขยายไปเต็มโลกเต็มมงสารรูปหญิงรูปชายรูปพระธุสิ่งของสมบัติเงินทองนะั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้นเนี่ยเสียงเสียงอะไรเอาวมากันไปนี่เหล่านี้แหละที่จิตไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้ แล้วสร้างความปิดบังให้ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความสำคัญ น, นี่แหละมาปกคลุมหุ่มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตาไม่ทราบความจริงทั้งทั้งสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ทราบความจริงของจิตที่ไปหลอกลวงตัวเองนี้เนี่ยท่านจึงสอนให้พิจารณาภายนอกรูปเสียงกงลิ่นรสเป็นต้ น, นด้วยสติปัญญานี่ก็เป็นปัญป ญ, ญาขั้นหนึ่งที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามา ถึงสิ่งสำคัญที่ติดแนบกับตัวของเราที่เราถือว่าเรามาตั้งแต่วันเกิด <Hey. S 2> ผมก็ของเราผมก็เราขนก็เราเล็บก็เราฟันก็เราเมื่อหนังกระดูกทุกสิ่งทุกชิ้นภายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราและเป็นของเรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบมากทีเดียว ติดกับใจจนแยกกันไม่ออกถ้าไม่แยกด้วยสติปัญญาดังที่อธิบายอยู่เวลา น, น, นี้ท่านเรียกว่าปัญญาเพราะจะมาแยกแยกเอา้าเพียงรูปนั้นที่รวมแล้วเป็นกายนี่นี่มันก็ติดฝังกับใจแล้วเป็นอันเดียวกับใจใจกับนี้่าเป็นเราเราก็เป็นใจใจเป็นอันนี้อ่ะมันเป็นอันเดียวกันหมดเรียกว่าเราโดยความรู้สึกพานจิตใจของสามัญชน ท, ทั่วไปเป็นอย่างนั้นเวทนา ความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเมื่อเกิดขึ้นทางทางร่างกายก็ดีทางใจก็ดีจะถือเป็นเราถือเป็นของเราของเราทั้งนั้นอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เป็นเรายุ่งไปหมดเราเป็นสุขสุขเป็นเราอะไรท้งเป็นเป็นเ่าสัญญาความจำกับเราจำ อะไรกันเราจําความจําเป็นของเราเนี่ยสังขารของเราคิดเราปรุงดีชั่วก็เป็นเราะคิดจนยุ่งจนแทบล้มแทบตายเพราะความคิดมันก่อควรมวุ่น ว, ยวายก็ยังว่าเป็นเรานั่นเห็นไหมละ่ะมันหลงอย่างนี้เองวิญญาณนับทราบอะไรเป็นเราทั้งหมดเได้ยินอะไรเ ร, เราได้ยินเถือเอาคำว่าได้ยินนั้นเป็นของเราเข้ามาอีกมากองอยู่ภายในจิตจิตจึงแย่อะไรก็ขนเข้ามาอะไรขนเข้ามา จามปรอมเท่าไร่ก็าขนเข้ามาให้จิตแบ ก, กจิตรับจิตถามวุ่นไปหมดแล้วจะไม่ทุกยังไงนี่แหละสิ่งปิดบังจิตใจสิ่งกดขีบ่บังคับสิ่งทับถมจิตใจสิ่งเสียดแทงจิตใจคือความหลงของใจเองแบบกว้านสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นภัยแก่ตัวเองเพระาะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเป็นผู้บึกบุกเบิ ก, บกหรือเป็นผู้แยกแยะให้เห็นตามความจริงอ่ารูป รูปังอา น, นิจังนั่นเพื่อจะแยกเลยนะมันไม่เที่ยงฮะรูปังอนัตตาเอาสรุปไปถึงอนัตตาเลยเ อ, อั น, นิจังก็ทุกข์ขังมันก็ทุกข์ก็เห็นกันอยู่แล้วอนัตตาถือเอาเป็นตนที่ไหนฮะฟังแต่ว่าอนาตาัตอนาัตตาอนัตตาอนาัตตมันไม่ใช่ทั้งนั้นเรายังจะฝืนความไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทร ง, างสอนอยู่หลือนี่ปัญญาใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงแท้ๆทาไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าวะรูปังอนัตตานะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอัตตาตาเป็นตัวเป็นตนอยู่เหรอท่านผู้รู้แท้ๆเป็นผู้สอนเราทําไมเราไม่เชื่อเรากราบพระพุทธทางธรรมสันนัตฉามิไปทําไมเมื่อเราไม่เชื่อคําว่ารูปังอนัตตาเวทานาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราตาวิญญาณอนัตตาเป็นตาทั้งสิ้นนี่เรายังจะถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปทำไม เล่ากาถึงมริเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นช น, นะมีความหมายอะไรถ้าเราจะมาเชื่อความความจริงคือธรรมที่พระองค์ประทานไว้นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานไว้พุทธเจ้าความจอมความของตอนเองให้เห็นตามความจริงทางท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาแยกๆอย่างนี้พระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างนั้นนึกความเห็นเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริ ง, งอนาตตาอานาตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าตีข้อมือไว้ เดี๋ยวมันเอื้อมไปจับนู่นเดี๋ยวเอื้อมไปจับนี้ท่านตีข้อมือไว้อย่าไปจับอย่าไปแตะต้องไฟไฟว่างนันรูปางรัตตาอย่าไปยุ่งเวทนานตาอย่ายุ่งทังยาลัตตาสังขารลัตตาพ ญ, ญานาลัตตาอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งนะนี่เป็นไฟทั้งนั้นมีแหละพวกที่พว ก, วก เ, เผาตัวเองรู้ไหมมันเคยเผาเรามานานเท่าไหร่แล้วเราถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจานามันชัดเจนให้ปล่อยตามความจริงของมันมันจะสุกก็ให้รู้ตามความจริงของมันสุกเกิดขึ้นสุกดับไปสุกเป็นไตรลักษณ์เนี่ย ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกเป็นไตรลักษณ์เนี่ยรูปเป็นไตรลักสัญญาเป็นไตรลักสังขารเป็นไตรลักวิญญาณเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงอันหนึ่งันหนึ่งให้รู้แล้วถอนตัวเข้ามาอยู่เป็นอิสระอย่าไปยุ่งอย่าไปแบกไปหามนี่เรียกว่าปัญญาคนดูให้มันชัดเจนเมื่อมันพิจนารณาสิ่งเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วมันไม่ไปไหนมันจะหมุนทิ่วเข้าไปสู่จิตตัวรมรุ่มหล ง, ลงสําคัญนั่นแหละนั่นละบอ่อแห่งอวิชชาบอ่อแห่งความเกิด บอยอความเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแสงเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติเตี่ยนอยู่ที่ตรงจิตนั่นแหละอ่าเอา้าตติปัญญาค้นเข้าไปทำลายมันอ่ารัางของวิชามันอยู่ที่จิตฝังู่ที่จิตแยกออกไปหมดแล้วด้วยตติปัญญาทางฝ่ายขันย้อนเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างข่าลาอวิชชาปัจจยาจริงๆมันมาจากไหนใครเป็นอวิชชาอ่า ธรรมชาติผู้ที่รู้ซึ่งเต็มไปได้วยความหลงฝังอยู่ภายในตัวเองนั้นนี่ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปให้เห็นธรรมชาติอันนี้คืออะไรมันก็ตรใจรักดีๆทัวเองตัวขี้เดียฒนาวิชาก็าดีจะเป็นอะไรฮะนั่นแหละท่านพิจารณาตรงนี้ตอนนี้เดียวกับพิจารณาจิตเป็นใจรักเช่นเดียวกันไม่ผิดถ้านจะถือว่าเป็นตนแล้วอา้าวเรากินปลาทั้งก้างแล้วฮกินไก่ทั้งกระดูกจะว่างไง กินข้าวทั้งเปลือกแล้วนี่แล้วไม่ อ, ออกก็ไม่เลือกที่ว่าจิตเป็นไตรลักษณ์ในตอนนั้นคือจิตมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ครอบงําอยู่นั่นเราจะถือว่าจิตเป็นตนในขณะนั้นมันถือไม่ได้เพราะต้องพิจารณาตรงนั้นให้มันเห็นความจริงของไตรลักษณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราเห็นแต่ความแต่ไตรลักษณ์ที่มีอยู่ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไม่เห็นไตรลักษณ์คือธรรมชาติอันละเอียดมากแห่งสมมติมันฝังอยู่ภายในจิตจึงต้องพิจารณาจิต เช่นเดียวกับพิจารณาอาการทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นไตรลักษณ์ที่เดียวกันดูให้มันจริงด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันไม่ทนทานอยู่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้ทำลายมันจะสลายตัวลงไปจะแตกกระจายลงไปสิ่งใดที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติตัวเองแล้วสิ่งนั้นจะคงอยู่เช่นผู้รู้เมื่อสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายสลายตัวลงไปแล้ว ผู้รู้นี้จะทรงตัวอยู่กลายเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้ไม่ชิบหายผู้นี้ไม่เป็นใจรักนานใจรักหมดปัญหาในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดสิ้นสุดไปจากใจขม้าใจรักภาในจจึงหมดไปเรื่องอนนี้จังตุกขังตาตามภายนอกก็ตามภายใน ก, ก็ตามตามรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่ น, น, นสมัมผัสรูปเบชนาสัญญาทั้งขาทั้งยางก่ตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจาก สมมุติแล้วอะไรไล่ก็เป็นความจริงไปหมดไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลยเพราะใจไม่สร้างปัญหาขึ้นใส่ตัวเองเนื่องจากสติปัญญารู้รอบขอบคิดทันนี่เรียกว่าเสื้อที่ทันสมัยทันสมัยที่สุดเปลี่ยนให้เปลี่ยนตรงนี้เราไม่ต้องไปหาเปลี่ยนที่ไหนอีกเปลี่ยนตรงนี้แล้วเท่านั้นไม่ต้องไปหาตัดที่ไหนมาเย็บมาย้อมมายุ่งวุ่นวายไปเปลี่ยนเสื้อนี้ไปเปลี่ยนเสื้อนั้นเอาเสื้อตัวเดียวนี้ให้พอจะ้ะ นิพพานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เสื้อทันสมัยอย่างยิ่งนั่นเองนิพพานังปรมังสูนยังศูญก็ศูญไปเถอะขอให้ได้เสื้อทันสมัยนี้เป็นที่พอใจเข้าใจไหมเอาละเทศต์ตอนนี้เพียงเท่านี้เอว่าง